บุ๊กทูหกสิหสอสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งดิฉันของดิฉันยา ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบฉันหาตั๋วรถของฉันไม่พบ ของคุณที่ทัวรคุณหากุญแจของคุณเจอไหมยสิลีน i าชาวสวอยทคัคคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมยสิลีน i าชาวสวอยุ u เขาของเขา Onnyegov คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Знашли где-же n j e g o v к л u ч คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Знашли где-же n j e g o v a в о з n a k a r t а เธอของเธอ o n อเนเงยเเงินของเธอหายเงินนอวัดเบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยเง e n a k r e ครดิตน a าการตนตลเรา ของเรามีน่าเชีคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายน่าเสตียคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีน่าบเสียคุณ หนูของหนู the ваше เด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน d i e c o gdzie jest a tata เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน d i e c k o gdzie j e s wasza mama